วิธีคิดแบบวิพั์ชวาทะก็งองจำแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยการคิดจำแนกแบบนี้คือสืบสาวสาเหตุปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์สืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณ์ต่างๆทำให้มองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไม่ได้ตั้งอยู่ในลอยไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยไม่ได้ดารงอยู่เป็นอิสระจากสิ่งอื่นๆและไม่ได้ดารงอยู่โดยตัวของมันเองแต่เกิดขึ้น ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยจะดับไปและสามารถดับได้ด้วยการดับที่เหตุปัจจัยการคิดจำแนกในแง่นี้เป็นวิธีคิดข้อสำคัญมากอย่างหนึ่งตรงกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบที่หนึ่งที่กล่าวแล้วข้างต้นคือวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยหรือวิธีคิดแบบอิทับปัจยยตาซึ่งนอกจากจะได้บรรยายในวิธีคิดแบบที่หนึ่งแล้วยังได้อธิบายไว้อย่างยืดยาว ในบทว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทความคิดที่ขาดความตระหนักในความสัมพันธ์ทําให้คนโน้มเอียงไปในทางที่จะยึดความเห็นสุดทางข้างใดข้างหนึ่งเช่นยึดถือสัจสตะวาทะมองเห็นว่ามีอัตตาที่ตั้งอยู่เที่ยงแท้เนรรันดรหรือยึดถืออุทเฉ ท, ทวาทะมองเห็นว่าอัตตาต้องดับสิ้นขาดสูญไปทั้งนี้เพราะเมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัย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 หรือว่านี้มีในเมื่อนั้นมีนี้ไม่มีในเมื่อนั้นไม่มีหลักความจริงที่แสดงอย่างนี้เรียกว่าอิทับปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทและการแสดงหลักความจริงนี้เรียกว่ามัตเชนธรรมะเทศนาจึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าวิธีคิดแบบมัตเชนธรรมเทศนาหรือเรียกสั้นๆว่าวิธีคิดแบบ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 เกี่ยวข้องกับความสับสนที่มักเกิดขึ้นแก่คนทั่วไปสามอย่างคือหนึ่งการนำเอาเรื่องราวอื่นๆนอกกรณีมาปะปนสับสนกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีเช่นเมื่อบุคคลที่ไม่สู้ดีคนหนึ่งได้รับผลอย่างหนึ่งที่คนเห็นว่าเป็นผลดีมีคนอื่นบางคนพูดว่าในกหรือในขอซึ่งเป็นคนดีมากมีความดีหลายอย่างอย่างนั้นอย่างนี้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 ภิกษุอยู่ป่าพระพุทธเจ้าส่งสรนเสริญก็มีไม่สรนเสริญก็มีโดยส่งพิจารณาสุท ธ, ธิเหตุคือเจตนาอีกตัวอย่างหนึ่งการได้ทรัพย์มาอาจเกิดจากการขยันทํางานจากการที่ทําให้ผู้ให้ทรัพย์พอใจหรือจากการลักขโมยก็ได้คนได้รับการยกย่องสรนเสริญอาจเกิดจากการทําความดีในสังคมที่นิยมความดี หรือเกิดจากทำอะไรบางอย่างแม้ไม่ดีแต่ให้ผลที่สนองความต้องการหรือเป็นที่ชอบใจของผู้ยกย่องสันเสริญนั้นก็ได้ในกรณีเหล่านี้จะต้องตระหนักด้วยว่าเหตุปัจจัยต่างกันที่ให้เห็นผลเหมือนๆกันนั้นยังมีผลต่างกันอย่างอื่นๆที่ไม่ได้พิจารณาในกรณีเหล่านี้ด้วยในทำนองเดียวกันคนต่างคนทำความดีอย่างเดียวกัน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 นอกเหนือจากเหตุปัจจัยที่เหมือนกันข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับความตอนท้ายของข้อสองคือข้อความที่ว่าเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันที่ยกขึ้นพิจารณานั้นไม่ใช่เหตุปัจจัยทั้งหมดที่จะให้ได้รับผลอย่างนั้นความจริงสภาพแวดล้อมและเรื่องราวอื่นๆก็เป็นปัจจัยร่วมด้วยที่จะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดผลอย่างนั้นกล่าวคือ